คะ่ะท่านฟังคะ่ะและช่วงเวลาที่ท่านรอคอยคือการพบกับพระพบูล์อภิปุโนในช่วงถามโลกตอบธรรมสนทนาเรื่องความขัดแย้งมาถึงแล้วคะ่ะน้องส ก, กานกัท่านคะ่ะอเจริญพรมีไหมคะคนไม่เคยมีความสุขแท้จริงในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้พระพุทเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าให้ให้เธอเนี่ยคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นพระพสมมาสมบู ธ, ธาเนี่ย ยังเป็นบริษัทอยู่เนี่ยได้มีความระลึอกอย่างนี้ว่ามีอะไรไหมหนอที่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นแล้วจะพ้นไปจากทุกข์เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เรายึดมั่นถือมันแล้วจะพ้นไปจากทุกข์ก็คือมีจะพ้นไปจากแล้วนะคะพ้นไปจากทุกข์ก็คือเมื่อเราจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเราเต็มที่ตลอดการอย่างที่คุณยมติวพูดมาสักครู่นี้กันน ะ, อ, ะอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ก็สอดคล้องกับ ตัด<า>คล้องถอ น, นะ ค, ะคล้องกันแล้วไม่มีความทุกข์ค่ะแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมามีความคิดอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับ Tesco, Lotus, นะ Seven-Eleven <c oughs> มีทุกอย่างเลยเราก็เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้เอาหมดทุกอย่างใช่ไหมเราเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการส่วนที่เป็นเกี่ยวเนื่องด้วยการทํางานทางโลกก็มีส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยการหลุดพ้นทําจิตให้บริสุทธิ์ก็มีมีทุกอย่าง อ, อยูที่ว่าใช้ตรงที่เกิดประโยชน์กับเราอนี้ค่ะไปช้อปปิ <shopping S 2> ้งจะช้อปอะไรใช่ทีนี้วันนี้จะช้อปปิ้งเรื่องความขัดแย้งต่อคับท่าะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาถึงตอนที่มีกระบวนการวิธีการหนึ่งที่ทำจิตอย่างไรนะใหะ้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยชอบกระตามไม่ชอบกระตามคนพูดแล้วมันจี้เข้าไปในใจเนี่ยจะทำไงให้ดับตันหาสิ่งที่ตามมาจาก ความรู้สึกนี้ได้ท่านอาจารย์ข้าเผื่อบางท่านอาจจะเพิ่งฟังวันนี้อขอทบทวนนิดหนึ่งเวทนาในที่นี้หมายความว่าเมื่อเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบชแล้วไม่ทําให้เกิดความอยากนะคะอยากจะทําดีอยากจะทําทไม่ดีเวทนาในความหมายของพทะเจ้าเนี่ยที่ทรงบัญญัติเนี่ยคือความรู้สึกค่ะจริยาที่รู้สึกได้มาอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรีวยกว่าเวทนาค่ะสมมุติเราได้ยินเสียงนี้แล้วได้เห็นภาพนี้แล้วมีความรู้สึกว่าชอบมีความรู้สึกว่าไม่ชอบ มีความรู้สึกชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ไอความรู้สึกนั่นน่ะเรียกว่าเวทนาไม่ใช่เวทนาตามความหมายอย่างที่เราสึกว่าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่เป็นความหมายทางธรรมทีนี้มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพรามณ์เล็บยาวทิคานิกะพราหมณ์ซึ่งชื่อว่าอคิเวทนาซึ่งเป็นมีฐานะเป็นลุงของพระสารีบุตร พรามคนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไม่พอใจหมดเลยพระเจ้าก็บอกว่าเอ้าก็แสดงว่าไอความเห็นนั่นเนี่ยก็ไม่ควรกับท่านด้วยสิอ๋อค่ะโอ้โหย้อนถามอย่างนี้เลยเป็นการย้อนที่อึ้ง<า>ไปเลยน ะ, นะค ะ, ะแสดงว่าที่พูดมาเนี่ยท่านก็ไม่ชอบเลยสิแล้วพูดมาทำไมเนี่ยนะทีนี้พระเาให้พิจารณาบอกพรามคนนี้ว่าผู้ที่บอกว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าเนี่ยก็มีอยู่คนที่บอกว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าก็มีอยู่ถามว่าโอ้สองคนนี้ก็ต้องขัดแย้งกันอย่างุนแรงเลย <Okay. S 1> ใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าพวกที่มีทิฏฐิสุดตรงไปข้างใด ข, ข้างหนึ่งเนี่ยก็จะมีความกระเดียดไปใดทางใดทางหนึ่งซึ่งไม่เป็นกลางพอมีความกระเดียดไปในทางนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิอย่างนั้น เมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะเกิดความทุกข์้น <Yeah. S 1> ใช่เพราะฉะนั้นพระรูปเ้าก็เลยอธิบายให้กับพรามคนนี้บอกว่ากายของเราเนี่ยที่มีร่างกายที่เราจับต้องได้อยู่เนี่ยมีมารดาปิดาเป็นแดนเกิดจะเิญมาด้วยข้าวสุกขนมสดนี่มี ท, ท, ทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่ตลอดเนี่ยก็ยังมีการแตกสลายทําลายไปได้เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเห็นายเนี่ย พระพุทธเจ้าให้พราหมณ์คนนี้นะมาอยู่ที่กายแน่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยให้มีมีกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิต น, นนะว่าว่ากายเนี่ยเห็นกายเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนะนะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วยกอีกคกำหนึ่งบอกว่าเวทนาเนี่ยมีสามอย่างคือสุขทุก ไม่สุขไม่ทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของป ร, รุงแต่งเป็นของอาศัยกันและกันเกิดขึ้น <Okay. S 1> มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางกลายเป็ น, ปนธรรมดานะคือเป็นสเต็ปง่ายๆอย่างนี้สเต็ปแรกก่อนนะคืออันดับแรกเนี่ยพอเราได้ยินเสียงอะไรที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ย <Okay. S 1> พระเจ้าให้เอากายเป็นฐานที่ตั้ง <Okay. S 1> นะโดยพิจารณาว่า กายเนี้ยเป็นอาพาธเป็นโรคเป็นหัวฟีเป็นดัางของผู้อื่นให้ยืมมาไม่ใช่ตัวตนอะไร <Okay. S 1> เสร็จแล้วให้เห็นว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นของอาศัยกัรละกินเกิดขึ้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบๆมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา <Okay. S 1> เวทนานีจะดับลงได้พอเวทนานี้ดับลงได้ก็จะไม่เกิดตันหาพอ <Okay. S 1> ไม่เกิดตันหาก็จะไม่ได้ไปสวงหาที่ผิ ด, ผด พอไม่ไปสแสวงหาผิดผิดเนี่ยก็จะไม่เกิดความกำหนัดความพอใจไม่มีความจับ อ, อกจับใจความตรรนีก็จะหายไปความหวงกั้นและเรื่องราวอันเกิดจากความหวงกั้นก็ดับไปค่ะเพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่าให้เอากายเนี่ยหรือว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นเสาเกินเสาหลักของจิตมีลมหายใจเป็นต้นอย่างนี้นะค่ะเรากอา็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า ยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งเพียงแต่ว่าเนื่องจากพูดต่อเนื่องมาอาจจ ะ, ะไม่ได้พูดถึงว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยมีการนําเสน อ, อภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ได้พูดถึงได้ตรัสพูดถึงเหตุของการขัดแย้งไว้อย่างไรแล้วก็นํามาสู่วิธีการที่จะระงับความขัดแย้งเป็นอย่างไรทีนี้ส่วนหนึ่งที่นําไปสู่การขัดแย้งมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอารมณ์ปกติของจิตว่าเมื่อไปสัมผัสกับอะไร เข้าเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือว่าเฉยๆทีนี้ถ้ามันหยุดอยู่แค่นั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของจิตใช่ไหมคะที่การปรุงแต่งก็นําไปเกิดความอยากใช่พอมันอยากปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็ยังเป็นการอยากทั่วๆไปเช่นเด็ก ดูเข้าโฆษณาแหมจะมีคอนเสิร์ตมาราคาแพงพ่อแม่ยากจนอยากจะไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาะนะคะแต่ถ้าถ้าพิจารณาแบบนี้ก็คือต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจไงคะให้อยู่ที่กายก่อนอให้มีสติอยู่ที่กายค่ ะ, ค, ะคือง่ายๆสุดเนี่ยเราต้องมีสติปิดกั้นความอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้มาพิจารณาว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นของปรุงแต่ง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางกลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปได้เป็นธรรมดามันไม่ได้อยากดูเท่าเก่าทิ้งช่วงไปอีกนิดนึงอาจจะเกิดความรู้สึกเห็นใจพ่อแม่มากขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ดูก็ได้ไม่เห็นตายเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนนีน่เป็นเรื่องเล็กๆถ้าเรื่องใหญ่ๆอย่างที่ได้ยกเป็นกรณีตัว อ, อย่างว่าทําไมถึงอยากพูดเรื่องขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งใหญ่ของบ้านของเมืองเลยวันนี้เห็นกันเป็นฝักเป็นฝ่ายใช่ไหมคะ างคนเนี่ยที่ท่านบอกว่าเพราะมันไม่มีความเป็นกลางใช่ไ้มคะมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติ mm hmm. มีแนวโน้มไปในทางที่ไม่เป็นกลาง mm hmm. ทีนี้มันก็เลยเกิดความรู้สึกชอบในสิ่งที่เราชอบชอบในสิ่งที่คนที่เขาเกลียดในสิ่งเดียวกับที่เราเราเกลยก็คือความรักกันเกิดจะความเกลียดใช่ไหมัะหรือว่าไม่ชอบในสิ่งที่ เราไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้าใครมาไม่มามารักในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกลียดใช่ใช่คะทีนี้พอมัน<า>เกิดในลักษณะเนี้ยอันนี้กำลังจะพยายามให้เห็นถึงว่าเราก็พูดเรื่องใหญ่ด้วยอยู่เหมือนกันแล้วก็วิธีเดียวกันเนี้ยที่ท่านบอกว่าให้เอากายเป็นฐานที่ตั้งแข็งจิต น, นะคะไล้เห็นว่าเวต น, นาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดดับได้ค่ะมันจางคลายได้มันดับได้ คือให้พิจารณาไตรลักษณ์เลยะคะ<ช>่ะ่อานิจจังทุกขังอนัตตาตความรู้สึกว่าคื อ, ค, อคือมันเป็นอย่างนี้คุณยมเตียงง่ายๆว่าอย่างยกตัวอย่างพระราหันเนี่ย <c oughs> ถ้าหิวข้าวแล้วเนี่ยอยากกินข้าวไหมอยากสิคะความอยากเป็นตัณหาถูกหรือผิดใช่ค่ะแล้วถามว่าพระราหัรไม่มีตัณหาแล้วทำไมอยากกินข้าวอ่ะธรรมชาติเรียกร้องอท่านคะเพราะาพระาพระาหารันยังเป็นมนุษย์อยู่เออแล้วถามว่าความตัณหาเนี่ยมีปัญหาไหม แล้วอย่างตันหาที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาทะเลาะกันอยู่ในบ้านเมือเนี่ยมันตันหาเดียวกันไหมมันดูเหมือนกันไม่ใช่สิคะเรื่องนั้นอยากกินไม่อยากไม่เกี่ยวกับอยากกินข้าวอ่าเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการเหมือนกันปากท้อมกันนี่แต่ถ้าทางธรรมถือว่าเรื่องเดียวกันคือมันเป็นต่างกันนิดเดียวตรงนี้ความอยากเพราะหิวข้าวเนี่ยมีเวทนาเกิดขึ้นที่ท้องใช่ัหมหิวแล้วโอ้วันนี้เป็นทุกเวทนามันต้องไปกินข้าวไปของบาลานนะเวทนาเกิดตันหาปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความดับไป ของตัณหานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับไปของทุกขท <Okay. S 2> ั้งหมดแสดงว่ากตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตของพระราชาเนี่ยเกิดแล้วดับไปเดียวนั้นเกิดแล้วดับไปเดียวนั้นเกิดแล้วดับไปเดียวนั้นในขณะที่เวทนาแล้วไปเกิดตัณหาของปุถุชนธรรมดาเนี่ย <Okay. S 2> มันจะค้างเติงอยู่ตัณหาแล้วก็มีไหลไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันไม่ดับ hmm. เพราะฉะนั้นประเด็นของเราที่เราลองพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีเวทนาอย่างไรให้ตัณหามันดับดับนิดหนึ่งก็ยังดีความทุกข์ก็ดับไปแล้วณนะวินาทีนั้น เพราะนั้นจังหวะที่พอมีเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บมีสติอยู่ในกายตุ้มตัณหาดับไปละณแค่เสี้ยววินาทีนั้นขอแค่นี้ก็พอทําบ่อยๆทําบ่อยๆใช่ไหมความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงลดลงท่านกลังหมายความว่าให้มาตั้งอยู่ที่กายคือให้อยู่กับลมหายใจหรือยังไงคะใช่แล้วณวินาทีนั้นเนี่ยมีสติแล้วมีสติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเสพสุขเวทนาอยู่เนี่ยทุกขเวทนาอทุกความสุขเวทนาถือว่าไม่ได้เสพได้ทีละอย่าง เพราะถ้ามีสติอยู่แล้วเนี่ยตหาไม่เกิดอคนฟังเนี่ยถ้าเขาไม่เคยทําเข้าใจว่าท่านกล่าวผู้มีสิ่งที่พิสดารมากสําหรับคนฟังซึ่งไม่เคยทําทําได้เลยไออยู่กระลมหายใจแล้วจะหายได้ยังไงมันคนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพอมีความสุขทุกขอุเบกหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วเนี่ยนะวินาทีนั้นที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ย อกุศลต่างๆเนี่ยมันดับคแค่เสี้ยววินาทีนั้นแล้วพอถ้าเราเพลอสติไปอีกเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดอีกไวขนาดไหนล่ะเราต้องทำให้ไวค่ะคือท่านผู้ฟังคะดิฉันเองเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจว่าถ้าอาจารย์พูดอะไรแต่จินตนาการไปถึงครั้งหนึ่งที่เราเคย เป็นแบบเนี้ยมันเป็นไปนได้ยังไลงลมหายใจจะช่วยให้เราแก้ปัญหายอย่างอื่นได้ยังไง ต, ต้องลองทําทําแป๊บเดียวเนี่ยขณะที่กําลังฟังรายการอยู่นี่ก็ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าจิตของเราจะสามารถมีความรู้สึกอยู่ได้อารมณ์เดียวได้ทีละอยา่างทีละอยา่างแล้วอันนี้พระพุทธเจ้ า, า บ, บอกว่าเป็นความ มหาศจจรย์ที่เกิดในจิตของพระผู้มีพระภาค <c oughs> ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวนั้นเห็ น, เ ห, นเห็นอยู่มันเกิดขึ้นมันดับไปเดี๋ยวนั้นสมมุติฟังเพลงเพราะอยู่ความเพราะก็ดับไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวฟังเพลงอีกเพราะอีกดับไปเดี๋ยวนั้น <c oughs> แต่ว่าของผุุ้ชนมันจะไม่ดบับมันจะเกิดต่อไปเรื่อยๆความกําหนัดอะไรต่างๆจะตามมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันจะไม่ไปไกลมันจะหยุดได้บ้างถ้าหากว่าเรามีสติหรือในลมไม่ใช่ อาจารย์บอกว่าให้มาอยู่กับกายใช่ค่ะแล้วถ้าจะให้มากไปอีกในส่วนของการพิจารณาความไม่เที่ยงความ <ừ. S 1> เป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเนี่ย <ừ. S 1> หรือว่าไตร ล, ลักษณ์เนี่ยอันนี้ในส่วนของปัญญาไหมคะถูกต้องคืออันนี้เรื่องนี้ที่พระชาตรัสกับอาคีเวชนะปรามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าพร ะ, ะพระสารีบดุลเนี่ยที่ถวายงานพัดอยู่ข้างหลังเนี่ยได้บรรลุเป็นพระรอรหันต์อ๋อค่ะอืมแค่เห็นแค่นี้ที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นพระอาจา์เลยเป็นพราจา์ที่เลิศทางปัญญาด้วยค่ะ <c oughs> นี่อย่าง <c oughs> ที่คุณยมติว่าอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคะเชื่อยากเชื่อผิวเผินเป็นคนที่ดื้อรัน้นเราก็จะไม่มีโอกาสคือต้องก่อนอื่นต้องทดลองใช่ไหมคะธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่อปเอาไปทดลองใช่เชิญมาพิสูจน์จริงหรือไม่เชิญมาพิสูจน์ทําเองรู้เองทําเองรู้เองนะคะ เนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกเอ้เราพยายามไปยัดเยียดคนในสิ่งที่มันไม่ใช่หรือเปล่าเราพยายามพูดให้ไปเข้าได้หรือไม่คือองนี้ไง ค, คนที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยจะมีคนที่ถึงแม้จะได้ฟังได้ยินคําของตถาคตเนี่ยก็ไม่ได้จะดีขึ้นคนที่ถึงแม้จะไม่ได้ฟังก็เป็นคนดีอยู่แล้วแต่มีพวกหนึ่งที่ถ้าไม่ได้ฟังจะไม่ดีถ้าได้ฟังแล้วจะดี พระพุทธาแสดงธรรมเพื่อคนพวกนี้ทําให้คนที่ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังจะดีหรือจะไม่ดีก็แล้วแต่ก็ได้ฟังไปด้วยเพนะราะฉะนั้นเราให้ฟังกับคนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์พูดนั้นก็เอาไปใช้นะคะแต่ท่านเองนหวังมากกว่านั้นคือหวังว่าจะมีคนที่อยู่นอกค่ายเนี่ยลองเอาไปทําด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิต<ช>แล้วท่านก็อาจจะได้พบนะคะว่าโอ้จริงๆนะแต่ต้องเปิดใจค่ะไม่เปิดใจไม่มีทางได้พบ อบอกว่าทางนี้ดีเราไม่ไปเนี่ยเราไม่มีทางพบเลยว่าดีหรือไม่เพราะเรานั่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนพระพุทธเจ้บอกว่ามาเถอดบุษรผู้เป็นมินยูชนไม่โอ้อวดเมื่อเราบอกสอนพระมสอนอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเธอจะทําให้แจ้งซึ่งทุกได้ค่ะก็ท่านเข้าใจว่าที่ให้ไปทั้งหมด3วันเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในมุมของพระพุทธองค์ทั้งชี้ให้เห็นเหตุแล้วก็ชี้ให้เห็นวิธีการดับแล้วเนี่ย น่าจะเพียงพอหรือยังคะหรือว่าต้องสัปดาหหน้าอีกสักครั้งหนึ่งก็สัปดาห์หน้าจะสรุปให้ฟังได้แต่ว่าเนื้อหาด้วยหลักๆเนี่ยได้ได้ชี้แจงไปให้ครบแล้วก็จะมีเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้นิดหน่อยเกี่ยวกับทํำยังไงแล้วถึงจะไม่ผิดเลยอย่างเงี้ยนะก็จะมีบ้างถ้ายังสงสัยนะก็ยังติดต่อเข้ามาทิ้งคําถามไว้ที่สถานีก็ได้เดี๋ยวจะบอกเบอร์ในโอกาสต่อไปสําหรับตอนนี้คงต้องนมรสการขอบพระคุณ พระคุณเจ้าพระภัยบุญอภิปุลโนนะคะแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธานีไว้นโอกาสนี้ก่อนคะ่ะใรมหการมค่ะท่าคคะเสนอผ่าน